คนฉลาดอาจพาชีวิตมาถึงทางตันผู้มีปัญญายอมพาชีวิตมาถึงทางออกความฉลาดกับปัญญาในความรู้สึกของคนทั่วไปน่าจะไม่มีอะไรแตกต่างกันแต่ข้อเท็จจริงคือความฉลาดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญญาเท่านั้นความฉลาดจะเน้นเรื่องสมองแล่น คือคิดเร็วแก้ปัญหาเร็วแก้ปัญหาไวพูดน้ำไหลจากหนึ่งถึง10ราบรื่นไม่สะดุดเชื่อมโยงของเก่าต่างๆเข้าด้วยกันเป็นของใหม่เป็นนวัตกรรมเป็นอะไรที่สร้างบ้านสร้างเมืองได้ส่วนปัญญาจะเมารวมไปถึงความแจม่มแจ้งทางวิญญาณด้วยกล่าวคือนอกจากจะรอบรู้ฉลาดเรียนฉลาดคิดแล้วยังตัดสินดี รู้ว่าเป้าอันเป็นสุขอยู่ตรงไหนทำอะไรแล้วไม่เป็นโทษไม่สร้างความเดือดร้อนกับตนเองและผู้อื่นในภายหลังกับทั้งทราบชัดด้วยจิตที่สุขสว่างเต็มดวงว่าจะหลุดพ้นจากขั้วแห่งทุกข์ได้อย่างไรปัญญาแบบพุทธนั้นท่านเอากันถึงขั้นพ้นแบบเด็ดขาดไม่กลับมาต่อติดกับขั้วทุกข์ขั้วร้อนอีกเลย คนที่มาถึงแค่ความฉลาดทางสมองบางทีพูดได้มากพูดได้เหมือนรู้ว่าคนมีปัญญาเขารู้อะไรคิดอะไรแต่ในที่สุดคนฉลาดอาจพาชีวิตมาถึงทางตันเพียงเพราะเอาความฉลาดไปรับใช้กิเลเสหมดคิดไวสร้างสารพัดข้ออ้างเก่งคิดเก่งสร้างสารพัดพันธนาการร้อยรัดตัวหาเรื่องเถียงกับในบ้าน สร้างเรื่องขึ้นนอกบ้านปักใจ ย, ยึดอัตตาและโทสะเป็นสารณะสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตมีธรรมชาติไหลลงสู่ที่ต่ำเหมือนน้ำส่วนผู้มาถึงปัญญาเยี่ยงจิตวิญญาณแบบพุทธบางทีพูดไม่เก่งเหมือนไม่รู้อะไรมากไวพริบในการแก้ปัญหาไม่ว่องไวแบบอัจฉริยะ แต่ในที่สุดผู้มีปัญญาจะต้องพาชีวิตมาถึงทางออกเพียงเพราะทุ่มเทสติปัญญาไปเอาชนะกิเลสเด็กเลียงเกา่าห้ามใจไวเมื่อต้องเผชิญสารพัดสิ่งยั่วยุเล็งถูกทิศเมื่อต้องยกระดับจิตระดับใจให้สูงขึ้นเกิดปัญหาแล้วแก้ปัญหาทั้งนอกบ้านในบ้านไม่ใช่เกิดปัญหาแล้วซ้าเติมปัญหาให้หนักขึ้นลงใจยึดหลักธรรมอันสว่าง เป็นสรณะสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ได้ใจความสรุปว่าผู้ดำเนินตามวิถีแห่งพุทธย่อมทุนกระแสทุกความฉลาดไม่ใช่ไม่ดีตรงข้ามเป็นบันไดขั้นแรกสู่ปัญญาได้แต่สำหรับคนส่วนใหญ่ที่รู้จักความเป็นพุทธช้าบางทีกินเวลานานค่อนชีวิต จะยกระดับจากฉลาดเป็นปัญญาได้จริงอาจจะต้องโดนความฉลาดของตัวเองเล่นงานกัดกินหัวใจหรือลงโทษให้เห็นทุกหนักจนอ่อนแรงพอเสียก่อนถึงจะเริ่มห้ามใจไม่ให้ไหลลงสู่หลุมดำและต่อยอดเป็นการใช้ใจหาแสงสว่างได้ถูกความฉลาดอาจนำไปสู่ข้ออ้างที่ฟังขึ้นแต่กดชีวิตตกต่าลง ปัญญาคือสิ่งชักนำไปหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผลและจุดเดึงชีวิตให้สูงขึ้น